ที่อยู่กับอนาคตเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นไปตามกิเลสของเรากิเลสชอบอะไรกิเลสอยากได้อะไรนะมันก็คิดไอ้เรื่องนั้นอะ่ะทั้งทั้งที่ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นไปไหมแต่ก็จะชอบคิดจิ้มาคนทั่วทั่วไปเขาบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นความสุขของชีวิต <c oughs> บางทีแม้ไม่ได้มาแต่ถ้าได้คิดได้ฝันเออได้ฝันหวานไว้เขาก็จะรู้สึกว่าแหม มีความสุขทั้งๆ ท, ที่บางทีก็หลอกตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็บางทีก็เป็นไปไม่ได้โดยบางทีบางเรื่องฝันไกลเกินไปไกลเกินเอื้อมจนมันเป็นไปไม่ได้ฝันแบบนี้หลอกตัวเองคนที่หลอกตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วมันทุกข์ไม่ได้สุขหรอกเพราะอะไรเพราะความจริงมันไม่ได้เป็นความจริงไม่ได้เป็นบาคนหลอกตัวเองเนี่ยเหมือนคนเสพยา เหมือนคนกินยาเสพติดอะไรพวกเนี้ยที่ทําให้ร้อนทําให้รู้สึกว่าแหมเหมือนกับมีความสุขมันสุขจริงหรือถ้ายาที่ที่เขาเสพติดกันเนี่ยถ้ามันให้ความสุขจริงทําไมเขาจะต้องดิ้นทุรนทุรายทําไมเขาจะต้องมาทุบแต่เนี่ยโดนฤทธิ์ของยาเนี่ยมันมอมเมาแล้วมันก็หลอกเอาแต่ตอนนี้ถ้าเราไม่พูดถึงฤทธิ์ของยาเราพูดถึงกิเลสของเราเนี่แหละมันร้ายยิ่งกว่ายาเสพติดอีก กิเลสของเราเนี่ยมันหลอกเราแล้วมันหลอกได้นุ่มนวลแนบเนียนยิ่งกว่ายาอีกยาเรากินไปเรายังจะเห็นโทษใช่ไหมเวลาที่มันโอ้โหเสียนเนี่ยเวลาที่มันอยากแล้วมันไม่ได้เนี่ยโอ้โหเรายังรู้สึกทุร น, นทุรายยังรู้สึกทรมานคือมันยังเห็นทุก์ได้ง่ายแต่ไอความอยากของเราเนี่ยนะโอ้โหมันไม่ค่อยยอมเห็นนี่ย แล้วก็พยายามดิน้นรนพยายามไขว่คว้าพยายามต้องหามาให้ได้ตามใจที่ตัวเองต้องการมากๆ ท, า ท, าทั้งๆที่ไอตอนพยายามดิ้นรนไขว่คว้าหามาให้ได้เนี่ยจนกระทั่งบางคนทุจริตก็เอาก็ยอมทําตอนนั้นจริงจริงมันทุกข์จะตายทรมานใจจะตายอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นนะเขาก็ยังนึกแบบถ้าได้มาแล้วมันจะเป็นสุขนะก็ยังนึกอยู่อางนั้นน่ะทั้งๆที่แค่คิด จริงๆก็ทุกข์ละลำบากแล้วพยายามไปหามาก็ยิ่งทุกข์ยิ่งลําบากยิ่งถ้าเป็น อ, อะไรอะ่ะเป็นเรื่องผิดกฎหมายเป็นเรื่องบิจฉาชีพโอ้โหยิ่งหนักข้อเลยทั้งเบียดเบียนตัวเองแล้วก็ทั้งเบียดเบียนทําร้ายคนอื่นด้วยเรา ะ, ะั้นอันาั้ยิ่งยิ่งเลวหนักใหญ่เลยนะอันเนี้ยวันพวกที่ไม่เข้าใจพวกเนี้ยเขาเรียกว่าปุุชนคนกิเลสหนาะ คนกิเลสหนาเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่ก็อยู่ในอบายอยู่แล้วเพรา ะ, ะนันปุถุชนทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในโลกของอบายนะอยู่ในโลกของอบายก็คือสี่อย่างอบายนี่มีอยู่สี่นะเป็นแหนกเป็นความเล่าร้อนใจเป็นความโลภเป็นความโมหะเป็นความหลงอะไรต่างๆนะอบายพวกเนี้ยนะเป็นเป็นเอ่อ เป็นอะไรเป็นนรกก็เป็นความเล่าร้อนเป็นเปรตกันเนี่ยเป็นความโลภเป็นความอยากได้นะเป็นความทุกข์ร้อนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยอยู่ในอบายอยู่แล้วโดยชีวิตปกติวันตายไปเนี่ยแน่นอนโอหถ้าไม่มีบุญอะไรที่สะสมไม่พิเศษจริงๆที่จะมาช่วยนะในในในชาติหน้าบุญนั้นนะมาถึงพอดีเนี่ยคนนี้แน่นอนเลยไม่มี ไปอย่างอื่นหรอกเพราะชีวิตปกติเขาอยู่ในนรกอยู่แล้วอยู่ในอบายอยู่แล้ววันแน่นอนเมื่อตายไปอยู่ในอ บ, อบายภูมิเนี่ยหมายถึงว่าที่อยู่ของสัตว์นรกเขาเรียกว่าอบายภูมิวันแน่นอนเลยว่าไม่มีไปเป็นอย่างอื่นแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอวังกีสะเคาะกะโหลกเนี่ยรู้เลยนี่นี่กะโหลกนี้นี่นไปนรกไม่ดีไม่ได้ไปอย่างอื่นแน่ นะพอเคาะศีรษะแรกไปแล้วอันนั้นพอเคาะศีรษะที่สองก็ทูลทูลกับพระพุทธเจ้านะยังเชื่อมั่นว่าเป็นศีรษะของคนที่ไปเกิดเป็นเทวดาพระเจ้ า, าอ่าพอเคาะศีรษะที่สองนี่ไปเป็นเทวดาหมายความว่า mm. เทวด า, อ, าอันนั้นเป็นคำแปลทั่วทั่วไปนะเทวดาก็เป็นคนที่ จะไปได้สุขสบายนะหรือว่าเป็นคนที่มีจิตใจสูงจริงๆก็คือสภาวะจิตนั่นเองฮอนแสดงให้เห็นบาคนเนี้ยคนจะตายคนเนี้ยนะับโดยปกติก็ต้องเป็นเทวดาอยู่แล้วไม่ให้่ตายแล้วไปเป็นเทวดาคนคนชอบเข้าใจอยู่แต่ว่าว่าอะไรตายแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ได้เป็นเทวดาไม่ใช่หรอกอันนั้นเป็นแค่เรื่องที่สมมติจนขึ้นมาบอกแล้วจริงๆเป็น สภาวะจิตอย่างหนึ่งเท่านั้นเองแต่โดยจริงแล้วเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนที่ตายไปแล้วโดยจริงหมายถึงสภาวะจิตแม้มีชีวิตอยู่นี่แหละคนนั้นก็เป็นเทวดาแล้วคือมีจิตใจดี จ, จิตใจกุศลนะทาบุญทำทานถือศีลปฏิบัติธรรมอะไรพวกนี้เมื่อเมื่อเป็นคนที่เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเขาเรียกว่าเทวดา หรือพูดง่ายที่สุดอันนี้พูดเจ้ามีตัดไปเทวดาก็คือคนอย่างน้อยต้องมีมีอะไรออมีศีลห้าอันนี้พูดแบบเป็นรูปลักษณะที่เป็นรูปธรรมให้เข้าใจง่ายที่สุดคนที่มีศีลห้าเนี่ยถือว่าเป็นเทวดามีศีลห้าไม่ใช่หมายถึงว่าไปวัดเสร็จแล้วก็นิมนต์พระท่านบอกว่าขอศีลเสร็จแล้วก็ให้พระท่าน อ่บอกให้ปาณาจิปาตานะข้อที่หนึ่งอะไรต่ออะไรนะไล่ไปเรื่อยห้าข้อเสร็จยกมืออะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยอะไรอจบแล้วก็เอาใส่หัวเสร็จได้แล้วศีหน้าไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นนะโอ้โหใครๆก็ถือศีหน้าได้หมดแล้วอย่างนั้นนะทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ไม่ใช่หรอกจริงๆนะทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยอบายทั้งนั้นนะ ส่วใหญ่อยู่ในอบายอย่งนั้นน่ะคือคือยังยังเป็นพวกอยู่ในนรกเล่าร้อนอยู่ในนรกยังไม่ได้สวรรค์ยังไม่ได้เป็นเทวดาเพรา ะ, ะเทวดานี่หมายถึงว่าต้องปฏิบัติได้ไม่ใช่แค่ไปรับฟังมาว่าศีห้ข้อมีอะไรบ้างท่องจําได้ห้าข้อเลยอันนี้อย่างต่ํานะห้าข้อเนี่ยไม่ใช่แค่ท่องได้จําได้สอนใครก็ได้ไม่ใช่แต่หมายถึงว่า ต้องปฏิบัติได้จะปฏิบัติได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่และแต่ศีลห้าข้อนี้ต้องลงมือปฏิบัติเพราะถ้าใครเริ่มปฏิบัติได้ขึ้นมานั่นแหละเริ่มเป็นเทวดาขึ้นมาเลยปฏิบัติขึ้นมาได้สิบเปอร์ซนต์มว่าสินห้าข้อเนี้ยปฏิบัติขึ้นมาได้สักสิบเอร์เซนก็เป็นเทวดาสิบเปอร์เซนะปฏิบัติได้สักห้าสิเอร์เน้าก็เป็นเทวดาห้าสิบอร์ซต อ่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเป็นเทวดาสักห้าสิบเปเ็นตครึ่งตัวนะเริ่มเป็นครึ่งตัวแล้วเป็นคนเป็นคนครึ่งหนึ่งเป็นเทวดาครึ่งนึงแล้เริ่มแล้วอืมพวกอะไรนะพวกกินนอนกินนาฬีเป็นอะไรนะเป็นเป็นเขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นนกอีกส่วนหนึ่งก็มีตัวแบบเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละพวกกึ่งกลางๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นลูกผสม นะแต่ถ้าใครปฏิบัติคุณสามารถปฏิบัติศีลห้าได้อย่างดีครบเลยคุณได้ร้อยเอร์เซนคุณก็เป็นเทวดาสนบู์แบบแล้วคราวนี้นะมีรัศมีเป่งปังออกมาได้แล้วนะสามารถที่จะแบบว่าคุณเจ้าตัดเลยว่าเที่ยงเลยคราวนี้ยืนยันได้เลยว่าไม่ต้องไปนรกแน่นอนได้ไปสวรรค์แน่ได้ไปสุขคตินั่นเองคือได้ไปสวรรค์นะได้ไปเกิด ในทางที่ดีอาตานี้เมื่อเคาะศรีรษะสุดท้ายเขาไม่อาจรู้ถึงที่ไปเกิดของเจ้าของศรีรษะนั้นได้แม้จะไร้มนซ้ำแล้วซ้ำอีกเคาะกะโหลกศรีรษะอยู่เนิ่นนานก็ตามจนเหงื่อไหลหยดจากหน้าผากคือคราวนี้เคาะแล้วเคาะ อ, อีกเคาะแล้วเคาะ อ, อีกเอไม่รู้แฮศรีรษะนี้นี่ตายแล้วไปไปไปไหนไปเกิดเป็นอะไร นะขาอไปข้อมาจนกระทั่งเหงื่อแตกเลยพูด ง, ง่ายขานี้แย่แ yeah, ล้วสินะไอสองกะโหลกแรกไม่มีปัญหานะโอ้โ oh, ห oh, ตอบอย่างภาคภูมิใจพอเจอกะโหลกที่สามนี่หมดมานะถือดีในวิชาของตนได้แต่นิ่งเฉยอยู่คือไม่รู้แล้วขาอนี้เลยไม่รู้จะพูดยังไงกับพระพุทธเจ้าแล้วนะก็เลยเหงื่อแตกนั่งซึมอยู่อย่างนั้นน่ะ พระาศาสดาทรงเห็นเช่นนั้นจึงตรัสถามว่าลำบากไหมวังกีสะถ้าจะว่าไปก็ถามไลยนะเห็นนั่งเหงาแตกก็นี่ตอนนี้ถามเลยลำบากหรือเปล่าเนี่ยที่ที่จะรู้ว่าว่ากะโหลกเนี่ยตายแล้วไปไหนข้าพระองค์ไม่สามารถรู้ที่ไปเกิดของท่านผู้นี้ได้ถ้าพระองค์ทรงทราบโปรดตัดบอกด้วยเถิดอืม หมดแล้วนี่หมดหมดออะไรอะ่ะหมดวิชาหมดภูมิเอไม่รู้แล้วว่ากะโลกนี้ไม่รู้เนีัยใครยังไงที่ไหนละก็เลยพูดง่ายๆว่าถามกับพระุทธเจ้าแล้วยอมแพ้ยอมแพ้แพว่าว่าพระพุทธเจ้ารู้ไหมเนี่ยกะโลกเนี้จะตายแล้วจะไปไหนนะพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าเรารู้ดี ทั้งรู้ยิ่งกว่านี้อีกด้วยนี้เป็นศรีรษะของพระอระหันต์ผู้หมดกิเลสสิ้นเกลี้ยงแล้วไปสู่ปรินิพพานนะก็บอกเลยก็แปลกนะทําไมกระโหลกนี้ยังไม่เผาธรรมดาแล้วเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยสั่งเผาทันทีเลยอะ่ะจะพระอระหันต์หรือจะไม่อรหันต์แล้วแต่เจอตายที่ไหนนี่ทันทีเลยสั่งเลยนะจะบอกปิษุรูปอื่นเลยบอกเอาหามไป แล้วก็เอาไปเผาเนี่ยจะอ่านเจอในพระใจบิดกเนี่ยจะเป็นอย่างเนี้ยพอเจอปั๊บก็เอาเลยไปเผาเลยนะถ้าเป็นภิกษุะนะไม่รอช้าเลยยังนึกอยู่นี่เอ๊ะกระโหลกนี้ทำไมยังไม่เอาไปเผานะหรือว่าหรือว่าไม่รู้ยังยังยังเพิ่งตายหรือเปล่าไม่รู้นะก็เลยเอามาให้มาให้วังกีสากะศีษะดู ตอนนี้พอบอกว่าเป็นกะโหลกพระอรหันต์ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเนี่ยผู้เจ้าบอกว่ารู้ว่าเนี่ยไปไหนยังไงใช่ไหมก็คือไปปรินิพานหมายถึงว่าว่าตายแล้วเนี่ยไม่ไปเกิดที่ไหนอีกแล้วคําว่าปรินิพานคือไม่ไปเกิดที่ไหนอีกแล้วถ้านิพพานเฉยเฉยเนี่ยแปลว่ากิเลสหมดเกลี้ยงแต่ยังไม่ได้แปลว่าว่าไม่เกิดอีกนะถ้า ถ้าใช้คําว่าไม่เกิดอีกเนี่ยนิพพานก็คือกิเลสไม่เกิดอีกแต่ถ้าใช้คําว่าปรินิพพานหมายความว่าไม่เพียงแต่กิเลสเนี่ยไม่เกิดเท่านั้นร่างกายนี้ก็ไม่มาเกิดอีกด้วยปรินิพพานหมายความว่าอย่างนั้นนะทีนี้บอกที่ไปปับ๊บฟังขีษะฟังคําตรัส จ, จบก็มอบกราบจดพระบาทของพระศาสดาคือยอมแพ้แล้ว นะหมดหมดความถือดีในวิชาของตัวเองนะมอบกราบแทบเท้าพพุทธเจ้าเลยอ้อนวอนขอบันประชาทันทีพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรับสั่งกับพระนิคโครทะกับปะเถระที่อยู่ใกล้เธอจงเป็นอุ ป, ปชาให้วังคีสะบวชเถิดไม่รอช้าเหมือนกันพพุทธเจ้าก็เอาเลยนะบอกบอกพระชื่อนิคโครทะกับปะเนี่ย ล้ว่าว่าเอาเอ า, เอาไปเป็นอุปชาให้สิไปพาท่านบวชคำว่าอุปชาเนี่ยหมายถึงพระผู้ใหญ่ที่นำเอาคนที่จะขอบวชเนี่ยเอาเข้าหมู่สงเพื่อที่จะอะไรอะ่ะให้หมูสงเนี่ยบวชให้อุปชาไม่ได้เป็นแปลว่าอะไรผู้บวชให้ด้วยตัวเองนะไม่ใช่ ระบบระบบเนี้ยผู้เจ้าเนี่ยท่านตั้งขึ้นมาว่าให้มีอุปชาเนี่ยหมายถึงว่ามีคนพาผู้ที่อยากจะบวชเนี่ยเอาเข้าหมูสง์ให้หมู่สงี่บวชให้มีผู้เจ้าเท่านั้นน่ะที่เรียกว่าเป็นผู้บวชให้โดยชนิดที่ว่า เ, าเธอจงเป็นภิกษุเธอเนี่ยเรียกเอภิกขุอุปสัมปทาเนี่ยมีผู้เจ้าเท่านั้นน่ะที่ที่จะเป็นอุปชาลักษณะนี้ไม่ต้องไม่ต้องนําเข้าหมู่ ผู้จ้าไม่ต้องนเข้าหมู่พอนึกจะบวชให้ก็บวชให้เลยแล้วพูดแค่นี้ก็คือจบได้บวชแล้วทันทีแต่ ต, ต่อมาเนี่ยถ้าจะบวชเนี่ยเรียกยติจตุถกรรมนะคือคือการบวชที่จริงๆมันจะมีขั้นตอนอื่นนะมีวิธีการบวชอื่นๆแต่สุดท้ายเนี่ยมาบวชในลักษณะเนี้ก็มีอุปชาเนี่ยพาเข้าหมู่สงฆ์และให้หมู่สงฆ์บวชให้ บางคนเนี่ยไปเข้าใจแต่ว่าอุปชาก็คืออะไรคือพระที่บวชให้คือคือเข้าใจว่าเป็นรูปเดียวที่บวชให้ซึ่งไม่ใช่จริงๆแล้วหมายถึงมูสงเป็นผู้บวชให้เมื่อบวชแล้วนะวังคีสะเนี่ยนะกลายเป็นพระแล้นะคนนี้เมื่อบวชแล้วได้ไม่นานวังคีสะพิกุอยู่ที่อคารวะเจดีเขตเมืองอารวีกับพระนิโคทะกับปะ ผู้เป็นอุปชาเพราะยังเป็นภิกษุบวชใหม่นะเป็นภิกษุบวชใหม่จึงให้คอยดูแลเฝ้าวิหารไว้คือยังไม่ได้ให้ไปไหนมากอะ่ะเอาอยู่อยู่กับที่นี่แหละอยู่เฝ้าวิหารศึกษาธรรมะอะไรต่ออะไรไปมีอยู่วันหนึ่งสตรีสาวหลายคนล้วนแต่งกายประดับประดาเสียงงดงามได้พากันเข้าไปในวิหาร ภิกษุวังคีสะเห็นสตีเหล่านั้นแล้วก็เกิดความกระสานขึ้นมีความกหนัดยินดีรบกวนจิตใจจึงบังเกิดความสะดดใจด้วยคิดว่าไม่ใช่ลาบของเราหนอเราได้ชั่วเสร็จแล้วหนอที่เกิดความกหนัดรบกวนจิตก็แล้วเราจะมัวรอใครมาช่วยบรรเทากิเลสให้เราอย่ากะนนั่นเลยเราควรบรรเทาความกหนัดเสีย ทำให้จิตยินดีในกุศลเกิดขึ้นแก่ตนด้วยตนเองเถิดอันนี้เป็นความเก่งหรือว่าเป็นความที่ยังมีสติดีของของพระวังคีสะวันราพอไปเห็นผู้หญิงเนี่ยแต่งกายสวยสดงดงามนี่ไม่ไมไม่ได้พูดว่าต้องสายเดียวหรือว่า นะต้อง t ู o p i c e หรือว่าต้องอะไรเลยนะแค่แต่งตัวสวยสดยงดงามเนี่ยแหละจริงจิงแค่นี้มันก็สร้างอะไรก่อกวนเขาเรียกว่าก่อกวนกิเลสให้ให้เฟื่องฟูแหละแค่นี้ยังไม่ต้องไปพูดถึงโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยที่ผู้หญิงแต่งกายยั่วยวนหรือจะเป็นผู้ชายก็ตามแต่นะไอที่จะไปแต่งกายยั่วยวน กวนราคะเนี่ยยิ่งไม่ต้องไปพูดถึงเลยเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยเนี่ยมันมันหยาบยิ่งกว่าสมัยก่อนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าแล้วยิ่งโดยเฉพาะคราวนี้จะไปวัดเน่จะไปวัดจะไปสถานที่ที่อะไรอะ่ะน่าเคารพหรือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่อะไรที่เขาปฏิบัติธรรมมันน่าจะมีอะไรอะ่ะภาษาอังกฤษเขาก็คอมม s e เซน ภาษาไทยก็สามัญสำนึกน่าจะมีสามัญสำนึกธรรมดาธรรมดาเนี่ยน่าจะรู้รู้ว่าเออมันควรจะแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะอันนี้น่าจะรู้เลยแต่ผู้หญิงพวกนี้ที่เข้าไปเที่ยวในวิหารเนี่ยอาจจะเจตนาดีก็ได้นะแมมได้ไปทำบุญหรือว่าได้ไปอะไรชมบางคนเป็นแบบนักทัศนาจร ไปชมตามวัดวาอารามต่างๆแหมแล้วแต่งตัวสวยสดงดงามอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยแหละนะาําบาปโดยไม่รู้ตัวเนะี่ยทำบาปนะไปยั่วยวนพระเนน <c oughs> โดยโดยไม่ทันระวังตัวเนี่ยถ้าถ้าว่าเป็นบาปเนี่ยก็ชัดเจนอยู่ละบางคนเสียงบอกว่า ท่านเป็นบุญนะเนี่ยทำให้ท่านรู้ตัวท่านนะว่าท่านยังมีกิเลสอยู่บังคนเฉียงได้นะบางคนนี้โอ้อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยคิดอย่างนั้นนะมันมันไม่ไม่ถูกหรอกคิดอย่างนั้นมันมันเถียงเพื่อที่จะไอ้นั่นนะมันจะไปเป็นบุญยังไงนะถ้าเป็นบุญเนี่ยคำว่าบุญเนี่ยแปลว่าอะไรบุญบุญแปลว่าอะไรปุญญาเนี่ยคำว่าบุญเนี่ยพ่อท่านแปลอ ย, อยู่บ่อย แปลเป็นภาษาไทยอ่ะฮะบุญไม่ว่าเครื่องชาระใช่ไหมเครื่องชำระอะไรชาระกิเลสเครื่องทำให้กิเลสลดลงพูดง่ายๆคำว่าบุญเนี่ยคือคือทำให้กิเลสลดลงเพราะฉะนั้นการจะเป็นบุญเนี่ยก็แต่งตัวแล้วทำให้คนเขามีบุญเพิ่มขึ้นที่ถ้าไปทำให้บุญก็ลดลงเนี่ยคือ แต่ที่เขาจะปฏิบัติได้ดีเนี้ยโอ้โหมาเจออย่างนี้แล้วเขาเกิดกิเลสตันหาราคะขึ้นมามันจะไปลดกิเลสยังไงมันเพิ่มกิเลสเขาแล้วแล้วมันจะไปบอกว่าเป็นบุญได้งไงน่จะมาเถียงแบบมุมกลับอ่ะมันไม่ถูกหรอกว่าอันนี้ต้องต้อ ง, อ ง, อ ง, องมีสามาัญสํานึกอันนี้ต้องรู้เลยก็ยังดีนะที่เป็นพระวังคีสระเนี่ยพอท่านรู้ว่าท่านเกิดกิเลสกามาราคะขึ้นมา นะท่านก็รู้เลยว่าโอ้โหนี่ไม่ใช่ลาบของเราหนอคือผูดย่ายๆเราสวยแล้วราสีกันเนี่ยผู้ภาษาเดี๋ยวนี้แหะบอกกูสวยแล้วเขาเนี่ยไม่ใช่บางคนเนี่พอเห็นอะไรที่เราชอบเนี่ยจะเป็นผู้ชายก็ตามเป็นผู้หญิงก็ตามเห็นได้ที่ถูกถูกใจเราโอ้โหน่าของเราหนอนนได้เห็นโอ้อะไรสวยๆงามๆได้เห็นแหบแหมยิ่งบ๊บบ๊บแบมแบม ยิ่งอะไรเงี้ยโอ้โหถูกตาถูกใจนั่นแหลนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ตัวละแต่อันนี้เนี่ยพระเบงกขีสานี่รู้ตัวมีสติรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่านี่มันเป็นราบหรือมันเป็นความซวยกันแน่ความบเห็นผู้หญิงแต่งสวยๆงามมาเนี่ยรู้ตัวเลยโอ้โหสวยเลยยตาลู ก, กตาเราเดี๋ยวต้องไปใช้อะไรล้างดีต้องไปล้างลูกตาแล้วอืมเนี่ยเนี่ยท่านรู้ตัวใช่ไหแล้วบอก เราได้ชั่วเสร็จแล้วหนอเนี่ยที่เกิดความกําหนัดลบกวนจิตอืท่านก็ไม่ไดไปโทษผู้หญิงหรอกนะท่านก็โทษตัวเองเนี่ยบอกโอ้โหเนี่ยเราไปเห็นอย่างนี้แล้วจิตเราก็เกิดกิเลสขึ้นมาใช่ไหมมีอาจารย์มาเนี่ยเคยบางทีอ่ะเห็นพวกที่เขาชอบพูดเรื่องแฟชั่นเนี่ยแล้วก็มีการซักถามมีอะไรกันเนี่ยก็บอกเขาแต่งตัวสวยเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะไปยั่วยวนหรือว่าไปอะไรใครเขานะยิ่งใส่ไอ บ๊อบแบมแ บ, มแบมอะไรผานูา่นผานี่อ่ะเออเขาบอกว่าอยู่ที่คนมองต่างหากอหะเขาก็จะโทษอย่างนี้อยู่ที่คนมองต่างหากคิดยังไงอ่ะคิดชั่วก็ชั่วสิเ <c oughs> ออเขาก็จะว่าอย่างเงี้ยคิดชั่วก็ชั่วสิเอาคิดดีก็ไม่เห็นจะมีอะไรอ่ะนั่นแหละพูดแบบข้างๆคูลๆไปเท่านั้นเองใครเอาสีดําไปไป้ายไว้ที่ผนังนะคนไปเห็น สีดำที่ผนังก็จะให้เขาคิดยังไงฮะเขาเห็นสีดำป้ายไว้ที่ผนังอน่เขาคิดว่าเป็นสีเขียวไหมเขาคิดว่าเป็นสีเหลืองไหมคิดว่าเป็นสีอื่ น, อนๆอะไรไหมไม่เราก็ยีมันสีดำป้ายอยู่ที่ผนังเหมือนกันไปแต่งบ๊อบแวมใช่ไหมคนมันเห็นมันก็โถเอ้ยมีเหลือจะไปให้คิดโอ้ดีนะเย็นดี คิดแต่แง่ที่เรียกว่าผูโทษมันหาน้อยรายหลือเกินใครที่จะไปคิดอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะไปโทษแต่คนที่เขาเห็นน่ะไม่ได้ที่จริงแล้วเนี่ยมันต้องเริ่มที่ต้นเหตุก่อนที่ถ้าคุณแต่งตัวให้มันดีแล้วเออถ้าคนเขายังไปคิดชั่วใช่ไหมคือแต่งตัวดีแล้วเนี่ยเ อ, อสุภาพรัดกลุ่มดีแล้วแล้วเขาไปคิดชั่วอีกเอออย่างเงี้ยเออเนี่ยเนี่ยดูซิอุษาแต่งตัว ปกปิดมิชิดแล้วยังคิดชั่วอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เออว่าเขาได้แต่นี่แต่งชั่วแล้วก็ไม่ให้เขาคิดชั่วภาษาเขาใช่อย่างงั้นเลยนะภาษาใช้ว่านุ่งชั่วห่มชั่วนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนทุกวันนี้บางทีเนี่ยจะนุ่งแบบนี้นุ่งชั่วห่มชั่วเป็นสํานวนที่ที่เหมือนกับมีมีมาเลยเพราะฉะนั้นก็นุ่งชั่วห่มชั่วแล้วเขาเห็นเนี่ยจะไม่ให้เขาคิดชั่วเหรอ คนที่ไม่คิดชั่วนะแสดงว่าคนนั้นฝึกจิตมาดีต่างหากล่ะเขาถึงไม่คิดชั่วแต่ถ้าคนปกติที่มีกิเลสอยู่แล้วเนี่ยมีเลวจะไม่คิดชั่วก็แต่งชั่วๆมาให้ดูเขาก็คิดไปตามนั้นแน่นอนเพราะอันเนี้ยนะถึงบอกว่าโอ้อย่ามาพูดข้างทางกูมาเจียงเพื่อเอาชนะแล้วก็จะได้แต่งต่อไปเลยแต่งตัวอย่างนั้นต่อไปมันมันไม่เข้าท่าอะไรหรอกนะแล้วมันก็ทาให้สภาพสังคมเนี่ยมัน เดือดร้อนย่ําแย่นะแล้วก็เกิดกิเลสเกิดกามเกิดราคะพวกเนี้มากมายก่ายกองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะอันเนี้ยนะถ้าคิดว่าจะช่วยสังคมช่วยคร อ, อบครัวให้มีความสุขให้มีความสงบร่อบเย็นมากขึ้นก็เอา้าก็พยายามนะแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีอย่าไปยั่วยวนอะไรกันอันนี้พอพระวังคีสะนะพอปรากฏว่าเนี่ย รู้แล้วว่าโอ้โหตัวเองอย่างนี้เราได้ชั่วเสรแล้วหนอนะก็เลยแบบว่าไม่ได้แล้ะต้องรีบจัดการไม่รอเลยเนี่ยบอกว่าเราควรบรรเทาวความกำหนัดเสียทำให้จิตยินดีในกุศลเกิดขึ้นแก่ตนด้วยตนเองเถิดคือรอช้าไม่ได้พระเจ้าในธทําเปรียบเหมือนกับกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับไฟมันไหม้ไม่ไม่หัวเราเนี่ยไม่ไม่ผมเราเนี่ยไม่ไม่ศีรษะเรา โอ้โหอบอกว่าโอ้ย ไ, ไฟไฟไหมหัวแล้วนะช่วยเอาน้ํามาดับหน่อยโถเอ้ยเกรียมพอดีอะหัวเตรียมพอดีรอไม่ได้หรอกรอช้าไม่ได้นเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นความฉลาดของพรรควงังกีษะว่าบางทีนี่มันรอไม่ได้อะ่ะแต่อันนี้เป็นไฟอะไรเป็นไฟราคะมันเกิดแล้วต้องรีบดับแล้วใครจะดับได้ไวที่สุดก็ตัวเองก่อนที่คนอื่นเนี่ยใครก็จะมาช่วยได้ไวกว่านี้่ ตอนตัวเราเองอย่ารีบเลยรีบช่วยตัวเองเพราะฉนั้นเนี่ยอย่างวังคีสานี่ถึงบอกว่ามีสติดีมีสติไวเพราะฉะนั้นพอเขารู้ตัวว่ากิเลสเกิดขึ้นไฟราคะกําลังเผาหัวและวเผาศีรษะตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นไม่รอช้าเลยรีบดับไฟแล้วก็ไม่รอครอื่นมาดับก็ดับด้วยตัวเองก่อนเลยนะมันถึงจะทันเหตุการณ์นะภิกษุวังคีสะจึงตั้งจิต จเจริญวิปัสนาสอนตนเองว่าคือคือคือพอจับได้ปั๊บจเจริญวิปัสนาวิปัสนาเนี่ยคือการพิจารณานั่นเองหรือว่าการอบรมจิตใจของตัวเองให้เกิดปัญญาแล้วเราใช้คําว่าวิปัสนามันคู่กันกับอะไรฮะอะไรคู่กับวิปัสนาอ เวลาเขาพูดเขามากักจะพูดคู่กันเน่ะสองอย่างอะ่ะสองสายอะ่ะเอานี้สายวิปัจนาเอานันสายอา่สายสมัะนะเพราะสายหนึ่งจะเป็นสายแบบสมถะสายสมัฏะนี่ไม่ต้องคิดไม่ต้องปรุงมากพอรู้ว่ามีกิเลสกรามขึ้นมาปั๊บก็ขมลงไปเลยคมลงไปเลยว่า อ, อ่างยังใช้คาพูดของของพระวังคีสานี่ โอ้โหไม่ใช่ลาบของเราแล้วหนอเราได้ชั่วแล้วหนอเนี่ยบอกโอ้โหจิตเราเลวละเพราะฉะนั้นจิตไม่ดีอย่างนี้ไม่คิดเอาออกไปไม่เอาไว้อะ่ะไม่เก็บไว้อะนันอย่างเงี้ยไล่ไปเลยอย่างเงี้ยคนคนที่ฝึกแบบสมาธามาเขาจะใช้วิธีแบบเนี้ยแล้วก็ข่มกั้นบังคับจิตตัวเองลงไปเลยไม่ให้นึกไม่ให้คิดในทางที่เลวร้ายนั่นแหละจะไม่คิดอะไรเลยหรือว่าจะคิดมาในทางที่ดีก็แล้วแต่แต่ เร็วล่ายไม่เอาไม่คิดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ า, วาสมถะส่วนถ้าวิปัสสนาเนี่ยใช้ปัญญาเพราะว่าวางคีสานี่มาในเชิงสายปัญญาเพราะนั้นวิธีการแก้ของสายปัญญาก็คือจะต้องใช้การพิจารณาโอจะสอนตัวเองยังไงดีจะสอนยังไงจะด่าตัวเองยังไงจะเตือนตัวเองยังไงจะสับโขกยังไงเนี่ย นะตัวเองเนี่ยแหละใช้จิตของจิตเนี่ยนะพูดกับตัวเองว่าตัวเองนะอบรมตัวเองนะก็ดูเอาตอนนี้วังคีสะพระอภิกษุวังคีษาะเนี่ยจะสอนตัวเองยังไงบอกว่ายอดนักแม่นธนูฝีมือเลิศมีใจแก้วกล้ามั่นคงสามารถยิงลูกศร อ, ออกไปทำให้ศัตรูตั้งพันหนีกระจัดกระจายไปได้ฉันใด แม้สติมากยิ่งกว่าพันจะมาก็ไม่อาจจะเบียดเบียนเราได้ฉันนั้นเพราะเราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วในธรรมเป็นผู้ออกบวชแล้วเป็นผู้ไม่มีเย่าเรือนแล้วมีใจยินดีในทางสู่พระนิพพานถ้าจะว่าไปถ้าใช้สำนวนเดี๋ยวนี้อาจจะพูดง่ายๆว่าเหมือนกับปอบใจตัวเอง แต่จริงๆแล้วเป็นการสอนตัวเองเป็นการเตือนสติตัวเองให้ให้ให้เกิดสติก็คือเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมานะเพราะฉะนั้นบอกเลยบอกเนี่ยอะไรอ่ะยอดธนูเนี่ยสามารถที่จะแหมมีความกล้านะแล้วมีความแม่นยำเนี่ยนะยิงลูกศรไปเนี่ยโอ้โหคนวิ่งหนีกันกระจัดกระจายเลยมันก็เปรียบเหมือนกับเนี่ยผู้หญิงมาเป็นพันคนก็เหอะ <c oughs> ใช่ไหม บอกว่าตัวท่านเองเนี่ยท่านก็จะจะแบบว่าไม่หวั่นไหวจะไม่กลัวจะมีความแกล้วกล้าใช่มจะแบบว่าที่ไม่กลัวก็เพราะว่าเรามีธรรมะอ่าเรามเาีเราได้ออกบวชแล้วตอนนี้เราไม่ได้ไปมีครอบครัวไม่มีอะไรแล้วนะมีใจยินดีที่จะไปสู่พระนิพพานถ้าใช้คำว่าพระนิพพานเนี่ยหมายถึงว่ายินดีที่จะหมดกิเลส